ตอนที่48สิดสิ่งที่พิเศษเสี่ยชิงจือเดินควงแขนหลินเซินออกมาในสมองพันหัวนึกถึงคำพูดที่หวางเฟยเคยกล่าวกับตนสิบปีมานี้ข้าไม่ได้เสียแรงเอนดูเจ้าไปเปล่าเปล่าจริงจริงชิงจือไม่นึกเลยว่าเจ้าจะยอมไปรับผิดชดใช้ด้วยการกินยาพิษที่จวนสกุลเย่เพื่อท่านอองด้วยตัวเองความกตัยูของเจ้าทั้งข้าและท่าน อ, องต่างก็เห็นและรับรู้ด้เจ้ามีใจพักดีต่อจวน อ, องอย่างแท้จริง เฮอพอมองกลับไปที่แม่นางน้อยตระกูลเยคนนั้นแม้จะมีความฉลาดหลักแหลมอยู่บ้างแต่จะมาเทียบความใส่ใจของเจ้าได้อย่างไรเซินเอ๋อ er ก็ไม่รู้ว่ากินยาผิดขนาดไปหรือเปล่าถึงได้ริเริ่มไปทูลขอราชองค์การพระราชทานสมรสทั้งที่ทางตระกูลเยเองก็ดูจะไม่เต็มใจนะักพวกเราสู้ตามน้ําไปเสียดีกว่าให้ท่านอ๋องเป็นคนเอ่ยปากให้เซินเอ๋อไปถอนมั่นเสียสบาทเองก็คงไม่ทรงบีบคั้นจนเกินไปเสี้ยชิงจือภายใต้ผ้าคลุมหน้าแสซงทาน้ําตาคลอเบ้า แต่ท่านาเจ้าคนนี้เป็นราชาองค์การพระราชท า, านสมรสจากฟาบาทจะถอนมั่นได้จริงๆหรือเจ้าคะทําไมจะไม่ได้ละ่ะในเมื่อตระกูลเย่ไม่เต็มใจจวนอองของเราเองก็ไม่เต็มใจฝาบาทคงไม่ทรงกดหัวโคให้กินน้ำหรอกขอเพียงท่านอองเอ่ยปากว่าไม่ยินยอมอย่างไรเสียฟาบาตก็ต้องทรงพิจารณารับสั่งคืนคําถึงอย่างไรในใจข้าก็ยอมรับเพียงเจ้าคนเดียวที่จะมาเป็นลูกสะพ้ยของจวนอองเป็นซื่อจื่อเฟยของเซินเ อ, อ๋อ วังเฟยตบหลังมือของนางเบาๆเสี้ยชิงจือที่อยู่หลังผ้าคลุมหน้าจึงค่อยเผยรอยยิ้มออกมานึกไม่ถึงว่าพวกนางทั้งสองคนยังไม่ทันได้ออกแรงสิ่งที่ต้องการก็ได้มาอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเปืองแรงแม้แต่น้อยที่แท้สิ้นอ๋องก็ไม่ชอบเย้เย่าเช่นกันเช่นนี้ก็ดีเหลือเกินเสี้ยชิงจือเดินควงแขนหลินเซินไปมุมปากภายใต้ผ้าคลุมหน้ายกขึ้นเป็นโค้งที่ดูเยือกเย็นและเจ้าเอ้ก้นทุกทรมานที่หน้าโจนกัวกงในวันนั้นในที่สุดก็ไม่ได้เสียเปล่า ในใจของหลินเซินวุ่นวายสับสนยิ่งนักทั้งที่เยาเยาก็ดีถึงเพียงนั้นเหตุใดเสด็จพ่อและเสด็จแม่ถึงมองเห็นนางไม่เหมือนกับที่เขามองเห็นเขารู้สึกว่าเย่เยายิ่งมองก็ยิ่งดียิ่งมองก็ยิ่งน่ารักแต่เสด็จพ่อและเสด็จแม่กลับยิ่งมองก็ยิ่งขวางหูขวางตารวมถึงชิงจื่อด้วยเขายิ่งรู้สึกว่าน้องสาวคนนี้ใส่ซื่อจนเกินไปซึ่งดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องดีนัก การที่ไม่รู้อะไรเลยมักจะทําให้เจตนาดีกลายเป็นเรื่องร้ายได้ง่ายเกินไปมิเช่นนั้นนางจะเกือบทําร้ายหูหญินเท่าตระกูลเย่ถึงสองครั้งสองครามได้อย่างไรและเป็นเพราะเจตนาดีที่ทําเรื่องเสียของนางนี่และที่ทําให้ความขัดแย้งระหว่างสองตระกูลเกิดขึ้นไมหยุดหย่อนนางน่าดีอยู่หรอกแต่หลินเซินเห็นนางเป็นเพียงน้องสาวเท่านั้นจะให้แต่งงานกับนางได้อย่างไรกันช่างหน้าขันสิ้นดีการถอนมันนั้นไม่มีทางเป็นไปได้ ไม่ว่าเสด็จพ่อเสด็จแม่จะพูดอะไรหรือพูดอย่างไรเขาก็จะไม่มีวันถอนมั่นเด็กขาดไม่มีวันยิ่งคิด ก, ก็ยิ่งหนุดหนิดใจจะลืมไปว่าเสี้ยชิงจือยังควงแขนเดินมาด้วยกันฝีเท้าจึงเริ่มเร่งรีบขึ้นโดยไม่รู้ตัวเสี้ยชิงจือเดินตามความเร็วของเขาไม่ทันนางเสียหลักเซไปคว้าแขนเขาไว้แต่คว้าพลาดกลับกลายเป็นไปเกี่ยวเอาผ้าเช็ดหน้าไหมพื้นหนึ่งออกมาจากอกเสื้อของเขาโดยบังเอิญลินเซินเองก็เกือบจะสะดุดพระนางถึงได้สติ เขารีบยื่นมือไปประคองเสี้ยชิงจือไว้ทันทีทว่าผ้าเช็ดหน้าไหมผืนนั้นกลับร่วงลงสู่พื้นต่อหน้าต่อ ต, อตาคนทั้งสองอย่างแผ่วเบาเสี้ยชิงจือกล่าวด้วยความรู้สึกผิดขอโทษเจ้าพี่เซินค้าไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรลินเซินตอบรับอย่างรีบร้อนก่อนจะปล่อยมือนางเขารีบเก็บผ้าเช็ดหน้าไหมขึ้นมาสบัดฝุ่นออกแล้วเป่าลมใส่อย่างระมัดระวังเมื่อเห็นท่าทางเคร่งเครียดของเขาที่ดูจะทนไม่ได้แม้แต่เม็ดทรายเพียงเม็ดเดียว ก็เห็นชัดว่าเขาให้ความสําคัญกับผ้าเช็ดหน้าผืนนี้มากเพียงใดเซียชิงจือเติบโตมาพร้อมกับเขาตั้งแต่เด็กกลับไม่เคยรู้เลยว่าเขาพกผ้าเช็ดหน้าเช่นนี้ติดตัวไว้ตลอดดูจากสีสันและลวดลายแล้วเห็นชัดว่าเป็นของสตรีใช้หรือว่าเย่เยาจะเป็นคนมอบให้เขาแววตาของเซียชิงจือผันฉายแวาดูร้ายนางหริตามองผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นอย่างละเอียดกลับพบว่ารอยปักบนนั้นบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวงานฝีมือสตรีของเย่เยาแย่ถึงขนาดนี้เชียวหรือ ลวดลายที่ปักอยู่ดูไม่ออกว่าเป็นดอกไม้หรือกระดิ่งกันแน่จนแทบจะแยกแยะไม่ออกว่าเป็นรูปอะไรแต่คนที่ทําให้หลิงเซินเห็นเป็นของล้ําค่าได้ขนาดนี้จะเป็นใครไปได้อีกเซีย่ยชิงจือซ่อนแววดูร้ายในดวงตาไว้แล้วยิ้มออกมาอย่างอ่อนหวานพี่เซินดูเคร่งเครียดเพียงนี้ผ้าเช็ดหน้าผืนนี้มีอะไรพิเศษหรือเจ้าคะหลิงเซินชะงักไปเล็กน้อยเขามองผ้าเช็ดหน้าในมืออยู่นานก่อนจะค่อยๆเผยรอยยิ้มนุ่มล น, นราวกับแสงจันออกมาเซีย่ยชิงจือถึงกับตกตะลึง เขาเคยยิ้มเช่นนี้ให้นางเมื่อไหร่กันนางเป็นชิงเหมยจูมาเติบโตมาพร้อมกับเขาหลายปีปกติเขามักจะวางตัวเย็นชาและห่างเหินแม้แต่กับเสี่ยชิงจือเขาก็แทบจะไม่เคยยิ้มให้ได้ยินว่าเขาถูกส่งไปศึกยุทธกับยอดฝีมือในป่าลึกตั้งแต่ยังเด็กแม้จะถูกรับกลับมาที่จวนอองแล้วก็ยังสลัดนิสัยเงียบขรึมและกลิ่นอายสังหารไม่หลุดแต่ตั้งแต่เขาเป็นฝ่ายทูลขอราชาองค์การพระราชท า, านสมรสและเริ่มพัวพันกับเย่ ย, ยาวเขาก็เริ่มไม่เหมือนที่เซินคนที่นางรู้จักมากขึ้นทุกที รอยยิ้มเช่นในตอนนี้เซี่ยชิงจือยิ่งไม่ยากจะเชื่อว่าจะปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นใครเป็นคนให้เขากันแน่ใช่เย่ยาวจริงๆหรือในระหว่างที่รอคําตอบเซี่ยชิงจือก็แอบจิกเล็บลงบนฝ่ามือจนผ้าเช็ดหน้าไหมในมือนางแทบจะขาดหลินเซินมองผ้าเช็ดหน้าในมืออย่างเหม่อลอยอยู่นานความนุ่มนวลและความทะนุถนอมในดวงตาของเขาทําให้เซี่ยชิงจืออิจฉาจนแทบพลั้งมันพิเศษ แม้แต่เสียงของเขาก็ดูจะอ่อนโยนลงราวกับละลายเป็นสายน้ำในฤดูใบไม้ผลิเสี่ยชิงจือขยามผ้าเช็ดหน้าไหมจนเกิดเสียงดังสศกเศร้าในใจแทบจะบดเคี้ยวฟันจนแหลกละเอียดลินเซินดูเหมือนจะจมดิ่งอยู่ในความทรงจําในอดีตจนไม่ทันสังเกตเห็นแววตาอาฆาตแค้นราวกับใบมีของเสี่ยชิงจือเลยแม้แต่น้อยไม่รู้ว่าเขาคิดถึงเรื่องอะไรริมฝีปากขยับเล็กน้อยคล้ายจะพูดอะไรบางอย่างแต่แล้วก็เปลี่ยนใจกลืนคำพูดที่มาถึงลำคอกลับลงไปทั้งหมด ผ้าเช็ดหน้าถูกเขาเก็บซ่อนไว้ในอกเสื้ออย่างทนุถนอมอีกครั้งทั้งยังตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ร่วงหล่นออกมาอีกถึงจะยอมเลิกลาในเมื่อเขาไม่ยอมพูดเสียชิงจือจึงอดไม่ได้ที่จะถามต่อหรือว่าพี่สาวเย่เป็นคนมอบให้ท่านเจ้ากะท่าทางของหลินเซินพันชะงักไปทันทีหัวใจของเสี่ยชิงจือเองก็บีบรัดตามไปด้วยไม่ไม่หรอกต้องไม่ใช่ของเย่แวแน่แน่ขออย่าให้เป็นนางเลย แววตาของหลินเซินวูบไหวอยู่สองสามครั้งก่อนที่แสงในดวงตาจะหมดลงเขาตอบรับสั้นๆว่าไม่ใช่ในพริบตานั้นเซี่ยชิงจือก็รู้สึกผ่อนคลายไปทั้งตัวมือที่กำแน่นคลายออกผ้าเช็ดหน้าหมายยับยั้ยี่จนดูไม่ได้ไปเสียแล้วไม่ใช่เย่เยาดีเหลือเกินที่ไม่ใช่เย่เยาเซี่ยชิงจืออับสะกดกลั้นความยินดีในใจไว้โชคดีที่มีผ้าคลุมหน้าปิดบังใบหน้าอยู่แต่ในน้ำเสียงก็ยังมีความตื่นเต้นที่ยากจะปกปิดหลุดออกมาเล็กน้อย นางพยายามกดเสียงให้ต่ำลงที่แท้ก็ไม่ใช่พี่สาวเย่หรอกหรือคะเช่นนั้นยังจะมีใครอีกที่สําหรับพี่เซินแล้วเป็นคนที่พิเศษเพียงนี้ลินเซินดูเหมือนไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้มากนักเขาเก็บงําความนุ่มนวลเมื่อครู่ไปแล้วกล่าวผ่านๆก็แค่เพื่อนเล่นที่ถูกชะตากันคนหนึ่งในวัยเยาวเท่านั้นผ่านมานานเกินไปแล้วข้าจําไม่ค่อยได้แล้วล่ะนี่เป็นสิ่งเดียวที่นางทิ้งไว้ให้ข้าถึงได้เก็บรักษามาจนถึงทุกวันนี้เสี้ยชิงจืออ้อที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เอง เพื่อนเล่นในวัยเยาว์ตอนที่เซียชิงจือมาอยู่ที่จวนสิ้นอ๋องเมื่ออายุห้าขวบปีนั้นหลิงเซินอายุสิบขวบและเป็นปีนั้นเองที่เขาฝึกยุทธเสร็จสิ้นและถูกรับตัวกลับมาที่จวนอ๋องเซียชิงจือจึงได้เติบโตมาพร้อมกับเขาตั้งแต่นั้นนิสัยที่เย็นชาเช่นเขานอกจากเซียชิงจือแล้วเขาเคยมีเพื่อนเล่นในวัยเยาว์ที่ไหนกันอีกนอกจากจะเป็นคนที่เขารู้จักในช่วงเวลาที่ไปฝึกยุทธกับยอดฝีมือผู้นั้นหากเป็นเช่นนี้ก็ย่อมไม่มีทางเป็นเย่เ ย, ยาไปได้ เสี้ยชิงจือลอบถอนหายใจยาวออกมาอีกครั้งขอเพียงไม่ใช่เย่เย่าก็พอปรับใดที่ไม่ใช่เย่เย่าก็ไม่มีใครสามารถแย่งชิงกับนางได้อีกนางไม่จําเป็นต้องเห็นหัวใครทั้งนั้นอีกอย่างพี่เซินยังบอกว่าผ่านมานานจนจะไม่ค่อยได้แล้วคิดว่าคงรู้จักกันไม่นานนักเพียงแต่มีความผูกพันที่ลึกซึ้งเท่านั้นไม่แน่ว่าคนผู้นั้นอาจจะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วพี่เซินถึงได้หวงแหนผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ถึงเพียงนี้ต้องเป็นเช่นนั้นแน่แน่